สวัสดีครับพี่น้องครับในวันนี้ผมจะขอสรุปเรื่องของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับสิ่งแรกที่จะต้องจดจําไว้ก็คือพระราชนะพูดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของของประธานมีพระาชณสี่บทครับที่แจกแจงรายการของประธานที่แรกก็คือโรมบทที่สิบสองข้อที่สามถึงข้อที่หก ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนจงคิดให้ถ่อมสุขขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรโดประทานแก่ท่านเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันก็จงพี่น้องลองเปิด อ, าอ่านดูนะครับโรมบทที่สิบสองข้อสามหนึ่งข้อหกพระคัมภีร์ตอนที่สองคือหนึ่งโครินบทที่สิบสองข้อสิบเอ็ดสิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาล และประทานแก่แต่และคนตามชอบพระไทยของพระองค์ตอนที่สมครับเอเฟซัสบทที่สี่ข้อที่เจ็ดแต่ว่าพระคุณนั้นทรงโปรดประทานแก่เราทุกๆคนตามขนาดที่พระคริสต์ประทานให้ตอนที่สี่ครับหนึ่งเปโตรบทที่สี่ข้อที่สิบตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประธานเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบฉันท่าที่ดีที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าพี่น้องทับในทุกตอนนั้นจะมีคำว่าทุกคนหรือไม่น้นก็แต่ละคนและของประทานที่กว้างขวางนั้นยังมีคุณสมบัติหลายอย่างพี่นอ้องทัพเพิ่มผีทั้งสี่ตอนนี้โปรดจาให้ดี โรมบทที่สิบสองหนึ่งโคลินสิบสองเอเฟซัสบทที่สี่หนึ่งเปโตบทที่สี่ได้พูดถึงลักษณะของของประธานหลายอย่างครับแต่ที่วันนี้ผมอยากจะสรุปและเป็นจุดท้ายของเรื่องของของประธานเพร่อยญญาันรดยสุดนั้นก็คือว่าเราเองนั้นจะต้องเข้าใจถึงวงกลมที่เมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วก็คือความจริงนะครับเป็นวงหนึ่งของประทานเป็นวงหนึ่ง การนับใช้เป็นวงหนึ่งและเชื่อมต่อด้วยความรักเพราะฉะนั้นเราคงจําได้นะครับว่าเราเริ่มต้นด้วยพระสัญญาหรือการรับบัพติศมาด้วยพเมญยานบริสุทธิ์ก็เป็นต้นเหตุของการบังเกิดใหม่ครับและไม่ควรจะเข้าใจผิดคิดว่ามีบัพติศมาด้วยพรมญานบริสุทธิ์หลายครั้งแท้จริงมีครั้งเดียวครับแล้วก็เกิดขึ้นตอนที่เราบังเกิดใหม่ เราเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตรงนั้นแหละครับเราได้รับบัพติศมาแล้วและต่อมาที่เราจะได้ก็คือการเปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นก็คือสภาวะที่เรานั้นติดสนิทกับพระเจ้ า, พ ร, จาพระวิญ ญ, ญาณติดสนิทกันถึงขนาดที่โปร่งเปี่ยมล้นในชีวิตของเราเกิดผลพระวิญ ญ, ญาณครับการเปี่ยมล้นและ สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเราเปี่ยมล้นแล้วเราจําเป็นที่จะต้องแสวงหาการเปี่ยมล้นอีกครับในขณะเดียวกันเราก็จําเป็นที่จะต้องแสวงหาของประทานฝ่ายวิญญาณแท้จริงแล้วของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นพระเจ้าได้มอบให้กับคนทุกคนอย่างน้อยคนละหนึ่งอย่างและอย่าลืมครับว่าของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นจะต้องมีไว้เพื่อเสริมสร้างคขึ้นจักรครับเสริมสร้างกันและกันไม่ใช่เป็นการยกตัวเอง หรือของประทานเป็นการยกระดับสร้างความยิ่งยโสให้กับตัวเองเราทั้งหลายต้องแสวงหาการเปลี่ยนร้นได้พเพิ่มยามบริสุทธิ์และแสวงหาที่จะพัฒนาของประทานและเราต้องล้ม เ, เสมอนะครับว่าเพราะวิญญาณบริสุทธิ์นั้นห่วงใยขึ้นจักห่วงใยคริสเตียนเพราะฉะนั้นโปร่งประทานทักคุณให้กับเราทั้งหลายทุกคนและทักคุณกับคําว่าของประทานนั้นก็มีรากศัพท์เดียวกันทักคุณคือแคริส ของประทานคือแคริสมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในพระคุณโดยพระคุณเราได้รับของประทานครับเราต้องใช้ของประทานนี้ให้เกิดผลมากในทางของพระเจ้าไปขึน้น จ, จักรของพระองค์เสริมสร้างซึ่งกันและกันเพื่อคุณประโยชน์ของส่วนรวมสร้างข จ, จักรอันเป็นพระวรากายของพระคริสให้จำเริญขึ้นสู่ความไพ่บุ์ของพระองค์ด้วยเหตุ น, นี้ เร า, าจำเป็นจะต้องใช้ของประทานซึ่งเรามีอยู่แต่ละคนอย่างน้อยคนละหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างบ้างเพื่อประโยชน์แก่กันและกันและขอให้เรานั้นจะกลายเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะที่ดีหมายความว่ารับมอบหน้าที่และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นอย่างดีแจกจายและสำแดงพระคุณของพระเจ้าก็คือแจกจ่ายความรักของพระองค์ แจกจ่ายน้ำมัทยของพระองค์แจกจ่ายความรู้ถึงพระองค์ให้กับคนอื่นๆเพื่อที่คนอื่นนั้นจะได้จำเริญขึ้นและเพื่อที่คนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้านั้นเขาจะรู้จักกับพระเจ้าและเขาจะกลับใจเชื่อและมาเป็นคริสเตียนพี่น้องครับเราจะต้องเป็นผู้รับมอบสัญญาที่ดีเป็นผู้รับใช้ที่ดีเพื่อว่าพระเจ้านั้นจะได้ทรงรับเกียรติจากการทั้งปวงที่เราได้กระทา โดยทางพระเยซูคริสต์พระสริขอให้พระสริและไอสวัญญาณุภาพจงมีแด่พระองค์ต ล, ลอดไปเป็นนิจขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านให้ชีวิตของเรานั้นเปี่ยมล้นด้วยพระมัญญบริสุธิ์มากที่สุดเท่า ท, ที่จะมากได้และเราจะใช้ของประธานของพระองค์เพื่อเสริมสร้างพ่อป ร, รากายของพระองค์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องทุกท่าน อาเมน